บททีเจ็ดสิบแปดสแตตเตสตตเตคำคุณศัพท์หนึ่งบีเอมรัตเนะบเอมรันะผู้หญิงชราหนึ่งคน n นึกลัอเดีตร์หนึ่งเอเีตรผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนหน a ่งเอชันดเอชันผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนหนึรสตรสต รถใหม่ห น, นึ่งคันมีมาคินเอเ่มินเอเรเอเ ร, รถความเร็วสูงหนึน่งคันมีมินเอชเต่มากินเอชปเอชปต ร, รถนั่งสบายหนึน่งคันมีมาคินคโมเด่น่มากิน ขอมูเด <Kom> ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดนื้ฟูสตันล้อนลูชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดเนื้ฟูสตันอช้อนอีกูชชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด กระเป๋าถ yes ือสีดำหนึ่งใบกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ เนียนชันต์เอบคนใจดีหลายคนร์สต์มิเอร์เนียคนสุภาพหลายคนเี คนน่าสนใจหลายคนเนียรสอินเทรสเันต์เด็กน่ารักฟามิโตดัชช์ฟมิเทัดชเด็กดื้อฟามิเซิลช์ัมมิเทช De die... familie te baren.